ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยขอากาศอาจารย์นรงวิทย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปแลวก็ขอากาศเพื่อนธรรมทุกท่านจเจริญในธรรมแม่ชีระย่าจะทำทุกคน เ, เราก็ได้พิจารณาธาตุนะธาตุก็คือสังขารร่างกายนี้นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธนะาตุดิน ก็เป็นของแข็งธาตุน้ําก็เป็นของเหลวธาตุลมก็เป็นลมที่มันแทรกอยู่ในในที่ต่างๆธาตุไฟความร้อนความอุ่นของร่างกายที่จริงจะเป็นคนก็ดีเนาะเป็นสัตว์ก็ดีเอ่เป็นวัตถุสิ่งของใดก็ดีก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นี้ แต่เพียงแต่ว่าสัดส่วนแตกต่างกันไปบ้างก็แค่นั้นเองในร่างกายนี้ถ้าเราพิจารณาดีเนาะพิจารณาโดยความเป็นธาตุเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวของเราหรอกมันเป็นเพียงแค่ธาตุาที่มาประกอบกันเท่านั้นคล้ายๆกับเราเอาอิฐบล็อกเอาปูนเอาหินเอาทราย แล้วก็เอามาประกอบเป็นรูปเป็นร่างนะเป็นเรือนบ้างนะเป็นบ้านเรือนบ้างเป็นห้องบ้างหรือจะประดิ์เป็นอะไรต่างๆก็ได้บ้างแล้วแต่ช่างที่มีฝีมือเขาจะประดิ์ได้นะแล้วแต่เขาจะก่อสร้างได้ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบที่เอามาประกอบกันเท่านั้นนะพอมาประกอบกันแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างแตกต่างกันไปเหมือนกับเราเคย ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวเนาะล้วก็สามารถจากดินเหนียวนั้นผสมกับน้ําจากการปั้นมันก็สามารถเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆได้สารพัดมากมายมันแล้วแต่ที่มันจะพาไปอันนั้นนายช่างที่ปั้นดินเหนียวหรือปั้นดินน้ํามันเขาจะปั้นตามความต้องการนของเขา ที่จริงชีวิตจิตใจของเราเองนะเราก็บางทีเราก็ปั้นชีวิตของเราเป็นในแนวทางนั่ น, น, นแหล ะ, ะเราปั้นเช่นไรชีวิตของเราเราก็ปั้นด้วยการทำกรรมของเราเนี่ยแหล ะ, ะกรรมที่เราก็ทำเนี่ยแหละมันมันนำพาชีวิตเราไปในทางนั้ น, นกรรมที่ทำด้วยความหลงมันก็ทานาพาไปสู่พบที่เป็นเดชฉาน เป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือมันหลงหลงอะไรหลงไม่รู้หลงที่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันมีชีวิตไปเพื่ออะไรชีวิตนี้มันก็คิดแต่ว่ามีกินมีนอนมีเสพสุขเสพหรือว่าเสพในทางรูปรสกลิกก่นเสียงต่างๆก็มีชีวิตอยู่ไปเพียงแค่นั้นกินกินนอนนอนหรือว่า ใช้ชีวิตแบบสัญชาตยานเท่านั้นอันนี้คือพบของเดชะฉานก็คือความหลงนะมันก็เป็นเช่นนั้นหรือบางทีเราก็ทำกรรมนะพบของผู้ผู้โรคนะก็เป็นเปรตเปรตในที่นี้อาจจะไม่ใช่ต้องเป็นรูปร่างหน้าตาแบบเปรตที่เราพิจารณาก็ได้แต่จริงเปรตก็คือการที่เราอยากอยู่เสมอไม่รู้จักพอ เห็นของคนอื่นก็อยากจะได้มาเป็นของเราเองเห็นสิ่งอื่นที่เป็นของกลางๆที่ไม่มีเจ้าของก็โลภอยากจะเอามาเป็นเจ้าของให้ได้ทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่รู้จักพอใจในวัตถุสิ่งของที่ตัวเองมียังคิดหรือว่ายังเห็นว่าที่คนอื่นมีมันดีกว่าเราอยู่เสมอมันไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอันนี้ก็คือ ความอยากที่มันไม่พอสักทนะีหรือบางคนก็มีภพภูมิของโทสะหรือว่าความโกรธมาเป็นเจ้าเรือนอยู่เสมอเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่รีบร้อนนะหรือถ้าเป็นสัตว์อื่นก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะเป็นคนที่ดุร้ายอันนี้ก็คือกรรมที่เรากระ ท, ทาทั้งนั้นนะนะกรรมที่เราสะสมเป็น เรียกว่าเป็นอจินกรรมเป็นกรรมที่ทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยแหละมันทําให้เกิดเป็นนิสัยนะเป็นนิสัยนิสัยมากๆก็กลายเป็นสันดานนะ่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าติดเหนียวแน่ในในใจิตใจของเราเองมันไม่ใช่กรรมคือสิ่งที่พระเจ้าหรือว่าใครมาบันดาลให้เกิดนะกับตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่เราก็ทํามาทั้งนั้นนะ เรากระทํากรรมเช่นนี้สะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วมันก็เลยกลายเป็นการปั้นปั้นแต่งนะเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราเองมันเราจะไปโทษใครไม่ได้หรอกในสิ่งที่เราทำํำนะร่างกายมันก็ประกอบด้วยธาตุซึ่งสกรปรกแล้วก็ไม่น่าเอาไม่น่าดูนะมันก็เป็นเช่นนี้นะแต่ถ้าเราทํากรรมที่ไม่ดีนะ จิตใจที่สกรปรกนี่มันยิ่งไม่น่าเอายิ่งกว่าร่างกายอีกนะร่างกายเราพิจารณาด้ยวยความเป็นทา่าถ้าดูในอวัยวะต่างๆมันมีสิ่งสกรปรกมีสิ่งที่ไม่สวยงามมันมีหนังหุ้มอยู่ทําให้พอดูได้ก็แท่นั้นมีเสื้อผ้ามีการประดับตกแต่งมีน้ําหอมมีสบู่มีอะไรต่างๆเพื่อให้มันพอนะพออยู่กับโรคนี้ไม่น่าสังเกตเกินไป มันก็ยังพออยู่กันได้นะไม่น่าเสียใจสะยเอียนถ้าไม่เป็นโรคร้ายแรงจริงๆแต่จิตใจนี่สินะถ้ามันสกปรกนี่มันยิ่งเรียกว่าน่าเกียดน่ากลัวกว่าร่างกายเสอีกนะจิตใจของเราเองถ้าเราปล่อยให้มันสกปรกให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจนี่มันเป็นสิ่งที่มันน่าละอายนะน่าละอายอย่างมากโดยเฉพาะ พวกเรามาบวชเป็นพระหรือว่ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแล้วเรายิ่งต้องอขจัดเรียกว่าชำระล้งจิตใจของเราให้ให้สะอาดอยิง่งขึ้นไปนะเพราะว่ามันเป็นคําสั่งสอนอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้การชําระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญจิตของทุกคนนั่นแหละมันมันก็เป็นธรรมดามันมีความโลภความโกรธความหลงติดมาอยู่เสมอ มันมีอุปนิสัยต่างๆที่มันเป็นความเคยชินในทางที่ไม่ดีมันมีอยู่เสมอมันมีกรรมที่เคยทำผิดพลาดมาในอดีตมีกันทุกคน่แหละแต่มันก็ไม่แต่มันเป็นประเด็นที่เรียกว่าในอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่มันอยู่ที่ว่าปัจจุบันนี้เรามีความตั้งใจที่จะแก้ไขมันไหมนะถ้าเรามีความตั้งใจที่แก้ไขมันสามารถทาได้แน่นอนนะนะ อย่างในอดีตก็มีพระหลายรูปที่ท่านหลงผิดนะแต่สุดท้ายท่านก็สามารถกลับตัวกลับใจนะเป็นผู้ที่เป็นคนดีแล้วก็เป็นพระที่ดีได้อย่างเช่นนะพระโมคคารนะในอดีตแต่ก่อนท่านเป็นคนเคยเชื่อพรรยาพรนยายุให้ฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองท่านก็ หลงภรรยานะลืมคุณของคุณพ่อคุณแม่ก็หลอกให้พ่อแม่ที่ตาบอดนะไปในป่าแล้วก็ตัวเองก็ทำเป็นโจรป่าแล้วก็มาฆ่าท่านเสียชีวิตแต่นั่นคือชาติก่อนที่ก่อนที่จะเกิดมาพบพระพุทธเจ้านะท่านก็ยังมีความหลงผิดเช่นนั้นนะมีความหลงผิดเรียกว่าทำอนันตเดียกรรมทำร้ายพ่อทำร้ายแม่นะ หรือที่จริงแม้แต่พระเทวทัตนะที่ท่านก็ลงผิดทำอนันตริยกรรมทำร้ายพระพุทธเจ้าให้หอพระโลหิตทำสงให้แตกแยกแต่พอก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านก็รู้สึกว่าละอายแก่ใจที่ตัเองทาผิดกับพระพุทธเจ้าทาผิดต่อคณะสงฆ์ก่อนจะตายก็ให้ลูกสิ์หามาจะมหาพระพุทธเจ้าที่เชตวัน แต่มาไม่ถึงเชตวันแผ่นดินก็สูบก็สุดตรงไปก่อนนะแต่พระพุทธองค์ผู้เจ้าก็มองเห็นว่าเทวทัตท่านทรงสำนึกผิดแล้วกรรมที่ทำในอดีตมันก็ส่งผลให้ตกนรกหมกไม่หลายพบหลายชาติก็จริงแต่สุดท้ายเทวทัตเองก็จะได้เป็นพระปเจกาพทธเจ้ า, เ, จาเป็นคนที่รู้ธรรมะได้เองคนหนึ่งเหมือนกันนะ โ, ดโดยเรียกว่า กรรมที่เรียกว่าตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองเนี่แหละมันทําให้เทวทัตก็สามารถเป็นผู้ที่รู้ธรรมะได้หรือแม้แต่พระโมคคัลลานะที่พูดเมื่อกี้นะท่านเคยพ่อค่าพ่อฆ่าแม่พอมาเป็นเกิดมาพบพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์เข้าถึงธรรมะเข้าใจธรรมะแต่กรรมทางกายแม้ท่านจะมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาได้ขนาดไหนแต่สุดท้าย ก็นีกรรมที่เคยทํากับพ่อกับแม่ไม่ได้นะก็โดนคนอื่นฆ่าตายนะเป็นทุดีผงเลยนะมันก็แต่กรรมในที่เกิดที่เกิดกับกายนะเกิดเป็นความทุกข์ทรมานกับกายหรือว่าต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆบางทีเนื่องจากกรรมในอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะแก้ไขในปัจจุบันเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเหมือนเป็นคล้ายๆทางจุดเดียวหรือว่าจุดหักจุดเปลี่ยนของชีวิตของเราเองนั่นแหละนะเหมือนคล้ายๆถ้าเราเดินทางเราขับรถจะมาที่วัดป่าสุกโตเราขับรถไปแล้วมันเกิดความหลงทางผิดทิศหรือว่าไปผิดถนนเพราะเราเอกใจว่าสิ่งที่ขณะที่เราขับรถเราเดินทางอยู่มันน่าจะผิดทางนะ เราถามผู้รู้หรือว่ามีคนแนะนำในทางที่ถูกแล้วเรากลับรถมาในทางที่ถูกมันก็สามารถถึงเป้าหมายอย่างเช่นวัดป่าสุกโตนี้ได้ชีวิตของเราเองก็เหมือนกันนะบางคนอาจจะเคยหลงผิดในชีวิตมามากมายอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนคล้ายเราหลงทางไปแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะกลับ ตัวกับใจใหม่นะเริ่มต้นจากตอนนี้เริ่มต้นจากวันนี้เนี่ยแหละนะอดีตที่มันผ่านไปแล้วเออช่างหัวมันเราเริ่มต้นจากตรงนี้ของเราเนี่ยแหละนะกลับทิศทางของชีวิตเราใหม่ให้เดินถูกทางชีวิตตรงนั้นแ่ะมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเราให้เรียกว่ามาถูกทิศถูกทางได้นะเป็นการทํากรรมที่ปัจจุบันนะกรรมที่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการ แก้กรรมจริงๆนะมันไม่ใช่แก้กรรมโในการสะดอกเคาะหรือว่าอืทําบุญทําทานแล้วมันจะแก้กรรมร้างกรรมเช่นนั้นได้แต่เราทํากรรมใหม่เพิ่งเป็นกรรมที่ดนะีก็คือการเรียกว่าไม่ทําผิดศีลแล้วอะไรที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็ทําเช่นนั้นนะ่ยมันจะเป็นการแก้กรรมและสุดท้ายถ้าเราจะอยากจะแก้กรรมจริงๆนะมันแก้กรรมที่จิตใจของเราเนี่ยแหละ ในการฝึกกรรมฐานนะ็นการมีสติรู้เท่าทันาการการเคลื่อนไหวของกายรู้ทันการเคลื่อนไหวของจิตใจกรรมฐานนี้จะเป็นการแก้กรรมที่เรียกว่าจริงๆเพราะว่าอะไรบางทีผลของเรียกว่าวิบากของกรรมไม่อาจจะส่งผลต่อกายทําให้กายของเรานะเป็นโรคเป็นโรคกร้ายแรงก็ดี หรือทําทำให้กายของเรานะโดนอุบัติเหตุต้องได้รับเคาะกรรมก็ดีหรือว่าอาจจะส่งผลให้มีคนมาตำหนินินทาว่าร้ายหรือว่ามาเบียดเบียนก็ดีอันนั้นอาจจะเป็นผลของวิบากกรรมที่เคยทำในอดีตอันนั้นบางทีก็หลีกเรี่ยงไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราจะฝึกจิตฝึกใจของเราคือเราจะมีกรรมฐานใยการรู้เท่าทันจิตใจของเรานะ เมื่อเจอโรคร้ายเกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันก็สามารถจะแยกจิตใจออกมาจากโรคร้ายนั้นได้นะหรือถ้าเมื่อเจอคำดินทาว่าร้ายมีคนมาเบียดเบียนหรือต้องประสบกับปัญหาชีวิตมากมายเราก็สามารถที่จะมีสติถอนออกมาให้เห็นว่าไอ้ที่โดนกระทบนั้นมันเป็นเพียงแค่กระทบทางกายภายนอกเท่านั้นแต่จิตใจเราสามารถเรียกว่า รักษาความเป็นปกติอยู่ได้หรือรู้รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ได้บางทีจิตมันอาจจะไม่ปกติเสียทีเดียวแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันอารมณ์ของเราได้เร็วนะเช่นพอมีคนมาตาหนินินทาว่าร้ายจิตใจเกิดความไม่พอใจเกิดความขุ่นมัวในใจเราก็คอยรู้ทันจิตใจของเราเมื่อเรารู้ทันจิตใจแล้วมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้นะหรือบางทีถ้าเรา วิสตินะคอยหมั่นรู้กายของของตัวเองอยู่เสมอนะบางทีอาจจะไม่สัญญาณทางกายมันก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นมามันก็ทำให้เราเห็นนะเห็นว่าจิตผิดปกติไปก็ได้เช่นบางคนนะพอโกรธหรือไม่พอใจมากๆมันเกิดความเรียกว่าแน่นหน้าอกนะอึดอัดนะหรือว่าบางทีพอโกรธ ม, มากก็รู้สึกว่าตัวเองมันร้อนขึ้นมา กายมันร้อนขึ้นมาหัวมันร้อนเน่ะพอเราสังเกตเห็นเอ้ยทําไมกายนี้มันร้อนผิดปกติหรือว่าหน้าอกมันแน่นผิดปกติพอเห็นว่ากายมันผิดปกติมันก็ทําให้เราย้อนกลับมาเห็นจิตใจก็ได้อ้อจิตใจมันผิดปกติไปนะเดหรือบางทีเราปฏิบัติธรรมแล้วมันตั้งใจเกินไปมันเพ่งเกินไปเอ้ยทำไปทําไมมันหน้ามันเกร็งมันคิดเครียดเนาะ หรือว่าเดินทําไมมันเริ่มผิดธรรมชาติมันเกรงเกงมันไม่สบายเลยพอเราย้อนกลับมาเห็นกายว่ามันเกรงกายมันเครียดเออมันก็ช่วยทําให้ใจมันผ่อนคลายตามไปด้วยก็ได้อันนี้คือการที่ปฏิบัติธรรมคือการที่เรามาสังเกตความเป็นไปของกายแล้วก็ของใจนี่แหละนะเมื่อเราสังเกตความเป็นไปของกายและใจมันจะทําให้เห็นว่าอา่สภาวะที่ทําไปแล้วผิดปกติเป็นเช่นไร มันก็จะสามารถเรียกว่าถอนหรือว่าผ่อนให้มันกลับมาเป็นปกติได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราปฏิบัตินะแต่ก่อนเนี่ยเราจะไปยึดยึดว่ากายนี้ใจเนี้ยเป็นเราทั้งหมดเลยนะเป็นตัวของเรานะกายนี้ก็เป็นของเราใจนี้ก็เป็นของเรานะมันเหมือนคล้ายๆกําปั้นถ้าเราสมมติเรากํากําปั้นเนาะกําปั้นนิ้วทั้งห้าเนี่ยมันมารวมกันทั้งหมดเลยนะเราคิดว่าเนี่ย อันนี้คือเราเราก็กรรมอ่านะแต่ตอนนี้มันเป็นของเราทั้งหมดเลยนะแต่พอเรามาฝึกสติเบื้องต้นเราฝึกแยกรูปแยกนามก็คือแยกกายแยกใจเหมือนคล้ายๆเราเอาสมมติเนาะเอานิ้วโป้องออกมานิ้วหนึ่งนะมันก็จะเห็นสมมตินิ้วโป้งเนะี่ยมันเป็นมันเป็นกายนะส่วนนิ้วที่เหลือสี่นิ้วมันยังกรรมอยู่นะ่ะมันก็คือเรื่องของใจมันยังแยกอยู่ว่าเอออันนี้เรื่องของกายอันนี้เรื่องของใจ มันก็ยังดีนะดีแต่ก่อนกำแน่นทั้งหมดว่าเป็นเรานะมันทุกมันทุกหรือว่ามันยึดมันเหนียวแน่นยึดว่าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนตของเราแต่พอตอหนังเราฝึกสติเริองต้นในการเริ่มแยกกายแยกใจหรือว่าแยกรูปแยกนามก็คือเนะี่ยมีสติเห็นการเคลื่อนไหวของกายมีใจเป็นคนคอยรับรู้นะกายเคลื่อนไหวใจคอยรับรู้อันนี้คือเริ่มแล้นะเราเริ่มแยกและแยกอาการของ ของรูปแล้วก็ของนามออกจากกันนะแต่ในที่นี้สติยังเป็นตัวที่คอยไปรู้นะการเคลื่อนไหวอยู่เสมอพอเวลาจิตใจคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาก็มีสติคอยรู้ทันจิตใจที่คิดนึกปรุงแต่งหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะอันนี้พอเราเริ่มแยกแยกรูปแยกนามออกจากกันแยกกายแยกใจออกจากกันนะไอ้ขันตรงนี้มันเริ่มออกจากการละมันเริ่มท้องขันนะก็คือรูปประขันกับนามะขัน แต่ต่อไปเรามีสติเราเห็นเวทนาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณที่มันแสดงตัวตนของมันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นเฉยๆบ้างเป็นความจาได้หมายรู้บ้างเป็นการปรุงแต่งต่างๆบ้างหรือเป็นการรับรู้ต่างๆบ้างมันเหมือนเราค่อยๆปดนิ้วให้มันเป็นอิสระทีละทีละนิ้วทีละนิ้วนะนิ้วทั้งห้ามันก็เป็นอิสระของมันมันเหมือนกับเนี่ยคือการแยกธาตุแยกขันนะ แต่ก่อนเราไม่เคยแยกธาตุแยกขันธ์เพราะว่าเรายึดว่าธาตุขันธ์นี้เป็นเราทั้งหมดเราฝึกสติเพื่อแยกธาตุแยกขันธ์นี่มันออกจากกันที่เราส่วนมวลธรรวัดเช้าเย็นทุกวันคืออะไรก็เนี่ยท่านบอกว่าสังขารนี้คือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ยแต่เราไม่เคยแยกมันได้พอดี แต่เรามาฝึกสติเพื่อให้แยกเนี่ยแต่ก่อนแยกรูปกับแยกนามตอบออกจากกันก่อนต่อไปเราก็สามารถแยกสิ่งที่เป็นนามมาทำทั้งสี่ออกจากกันได้เราก็จะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นแต่เพียงแค่ขันทั้งห้าเท่านั้นมาประกอบกันมันมีตัวมีตนของเราอยู่ที่ไหนกายนี้มีตัวมีตนของเราอยู่ที่ไหนเราบังคับกายนี้ได้ไหมมันจะหิวมันก็หิวของมันเอง มันจะปวดหัวตัวร้อนมันอยากจะทายมันก็ปวดของมันเองมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ปวดมันก็เป็นของมันเองมันจะแก่มันจะตายมันก็เป็นของมันเองมันเป็นของมันเองตามเหตุตามปัจจัยของมันนะมันเป็นเหตุปัจจัยที่เรียกว่าจากดินฟ้าอากาศบ้างหรือว่าจากการกระทาที่ไม่รู้ของเราเองบ้างหรือถ้าเป็นการกระทาที่รู้มันก็ช่วยบาบัดบรรเทา ให้ร่างกายนี้มันเรียกว่าดีขึ้นมาได้บ้างแต่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียกว่ามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตใจนี้ก็เช่นเดียวกันนะนะแม้มันจะบอกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราประกอบด้วยขันทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารหรือว่าวิญญาณก็ดีมันประกอบด้วยสี่อย่างนี้มาประกอบกันก็จริงนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทัน กปรุงแต่งของจิตไม่รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตแล้วมาจาัดพลอยทำให้เราไปกระทำกรรมนะเป็นกรรมหนักเป็นกรรมที่ะที่ยากแล้วก็ทำให้เราต้องเรียนไหวใจเกิดมาอีกไม่รู้กี่พพกี่ชาติแต่ถ้าเราคอยมีสติคอยฝึกรู้ทันกายแล้วก็รู้ทันจิตใจที่มีความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมานะมันจะทำให้อ่าเรียกว่าวิบาก ที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันไม่มันก็ทุกข์แค่กายแต่ใจมันไม่ทุกข์แล้วมันก็ส่งผลให้ภพชาติมันสั้นลงไปด้วยภพมันเกิดขึ้นจากไรเพราะว่าการสร้างเนี่ยมันสร้างมโนภาพในจิตนี่แหละมันเกิดมาเป็นภพชาติชรามรณะโศกกะปริเทวทุกข์มันก็เป็นการต่อเนื่องของจิตใจนี่แหละพอเรามีสติรู้ทันนะมันก็จะทําให้ภพชาติมันน้อยลงเพราะอะไร เพราะว่าพอเรารู้ทันความโกรธความโกรธมันก็ตกลงไปพอเรารู้ทันความโลภความโลภก็ตัดไปพอความหลงเกิดขึ้นกับจิตเรารู้ทันว่าความหลงเกิดขึ้นกับจิตแล้วนะความหลงมันก็หมดไปเพราะอะไรพอเรารู้ทัน่ะเราจะไม่ทําตามมันนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทัน่ะเราจะทําตามมันนะที่จริงหน้าที่ของกิเลสเขาไม่มีอะไรหรอก ก็แค่หลอกให้เราสุขให้เราทุกข์ไปตามเขาเท่านั้นหลอกให้เราหลงคิดไปตามเขาเท่านั้นแต่พอเรามีสติมันจะเห็นนะว่าไอ้พวกนี้เป็นสิบแปดมงกุฎนะเป็นตัวมาหลอกลวงนะเหมือนกับเรารู้จักใครที่เขาเป็นสิบแปดมงกุฎเป็นคนที่หลอกลวงเป็นคนที่คบไม่ได้เราก็จะเลือกคบกับเขาเองแหละนะเพราะถ้าเราคืนคบกับคนเช่นนั้นอยู่ชีวิตของเราก็คง เรียกว่าตกต่ําแน่นอนเพราะว่าใดโดนเขาหลอกโดนเขาจูงไปในทางที่ไม่ดีจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นสิบแปดมงกุฎในจิตใจของเราเองนะนะมันก็จะเลิกครบกับสิบแปดมงกุฎในจิตใจของเราเนี่แหละนะนะที่จริงมันก็มีกันทุกคนนแหละนะมันอยู่ที่ว่าจะรู้ทันนะความคิดหรือการปรุงแต่งในจิตของตัวเองไหมถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะโดนเขาหลอกนะแรกๆมันอาจจะ เรียกว่ารู้ทันไอ้ที่มันหยาบๆก่อนนะเช่นโกรธแดงๆหลงมากๆหรือว่าหรือว่าพอทุกข์หนักๆค่อยๆคิดถึงธรรมะคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะค่อยรู้ตัวก็มีแต่พอฝึกไปเรื่อยๆไอ้สิ่งที่เป็นกลางๆหรือสิ่งที่ละเอียดมันก็จะรู้มากขึ้นนะที่จริงมันดงแทบทั้งวันเลยนะนะแต่ใหม่ๆมันก็รู้แต่ตอนหลงหยาบๆไปก่อน ต่อไปที่ละเอียดขึ้นมามันก็จะดูชัดขึ้นอันนี้คืองานที่เราทําเนาะในแต่ละวันไม่อยากให้พวกเราได้เสียเ ว, เยเวลาไปทำเรียกว่ากิจนะอย่างอื่นให้มากนักนะเพราะว่างานหลักของเราคืองานพัฒนาจิตใจหรือว่าทําจิตใจให้สะอาดหรือว่าเป็นการฝึกให้รู้ทันว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแม้เราจะฝึกจิตให้สะอาดเช่นไรแต่เราก็ไม่ยึดจิตนี้ว่าเป็นของเรา นะอันนี้คืองานหลักจริงๆนะเป็นงานที่เรียกว่าเราทำอยู่ตลอดเวลาเป็นงานภายในเป็นงานเฉพาะตนของเราเองแม้งานภายนอกบางคนอาจจะต้องมีหน้าที่ต้องทาสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบงานงานช่างก็ดีงานครัวก็ดีหรือเราปฏิบัติในรูปแบบก็ดีนะเราก็ทำงานภายนอกก็ น, นั้นควบคู่กับงานภายในของเราด้วย อันนี้ถึงจะเป็นประโยชน์จริงๆเนะเพราะว่าเนี่ยเวลามันก็ร่วงเลยมาแป๊บเดียวก็ร่วงมาครึ่งพรรษาแล้วนะครึ่งพรรษาก็ผ่านไปแล้วนะอีกครึ่งหนึ่งของพรรษามันก็อีกไม่นานไม่ถึงเดือนครึ่งได้ทำไปนะเวลาที่เราจะได้อยู่วัดปฏิบัติธรรมมันมีไม่มากจริงๆเนะสำหรับบางคนนะหรือบางคนที่จะอยู่ต่อไปนานๆก็เป็นความคิดนะ อย่าเพิ่งว่าคิดว่าเราจะอยู่วัดหนึ่งปีอยู่สิบปีเพราะมันก็ไม่แน่ชีวิตของเราจะพ้นราษานี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราจะประมาทไม่ได้หรอกว่าเราเออเดี๋ย อ, อีกต้องวัดเดือนครึ่งกว่าจะออกพรรษาเดี๋ยวค่อยไปเร่งความเพียรตอนใกล้ๆออกพรรษาดีกว่าหรือว่าชีวิตนี้ของเรายังหนุ่มยังสาวอยู่คงยังไม่แก่ยังไม่ตายง่ายๆหรอกมั้งไอ้ น, นั่นก็เป็นอย่างเป็นความประมาทของชีวิตนะนะ แต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆว่ามันก็ไม่แน่นะภาษานี้เดี๋อีกแค่เดือน ก, กว่าๆเท่านั้นหรือว่าชีวิตรเรามันก็ไม่แน่ไม่รู้จะตายวันตายพุ่งเราต้องรีบเร่งทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในตอนนี้เนาะสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ต้องละตั้งแต่ตอนนี้แหละนะอย่าไปรอว่าละตอนไหนนะละตั้งแต่ตอนนี้แหละเริ่มต้นกับตัวกับใจใหม่นะกับตัวให้ทําคุณงามความดี กลับใจที่มันหลงไปนะ mm hmm. ให้มันมีสตินะหลวงพ่อเขียนต้องบอกว่าปฏิบัต ouais. ิธรรมคือการกลับมานะกลับมามีสติกลับมารู้ตัวกลับมาจากความหลงนะเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนแบบนี้ไม่บ่อยไม่ได้ห้ามความหลงแต่เพียงแค่เปลี่ยนนะเปลี่ยนใจที่มันหลงเป็นใจที่รู้นะเปลี่ยนความขาดสติมาเป็นการมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองนี่แหละอันนี้คือเราเปลี่ยนแบบนี้อยู่เสมอ นะไม่ได้เป็นการปฏิบัติเพื่อกดข่มเพื่อห้ามเพื่ออวดเพื่ออ้างอะไรหรอกแต่เป็นปฏิบัติเพื่อแก้ไขสิ่งที่มไม่ดีในจิตใจให้มันดีขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตที่มันมีความโกรธความโรคความหลงให้เป็นจิตที่มีความไม่โกรธไม่โลคไม่หลงเกิดขึ้นแทนที่นะมันเหมือนกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็พลิกไปบ่อยนะเราพลิกมือเองก็ดีเราจกมือเองก็ดีก็ไม่ใช้พลิกแต่มือเราพลิกจิตให้มีสติด้วยนะเพราะว่า จิตที่มันหงก็พอพลิกมือรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ไม่หลงแล้วนะเราเดินก็เหมือนกันนะเดินไปแต่แจาก้าวก็เหมือนการที่เราเดินสร้างความว ร, รู้สึกตัวไปทีละครั้งรู้สึกตัวไปทีละครั้งพอมานลงขึ้นมาเออก็รู้ทันว่ามันหลงไปแล้วอันเนี้ยไม่เป็นไรอันนี้คือเราค่อยๆสร้างความรู้ขึ้นมาแทนที่ความหลงนะค่อยๆสร้างสติเข้ามาแทนที่นะอวิชชา เหมือนกับที่หลวงปู่เทียนบอกกับเราชัดเจนนะท่านบอกว่าหน้าที่ของเราคือให้เรามาฝึกสตินะมาให้อาหารของแมวมาเลี้ยงแมวให้โตขึ้นมาพอแมวมันโตแล้วมันจะไปจัดการหนูของมันเองหนูคืออวิชาหนูคือกิเลสตัณหาต่างๆหน้าที่ของเราคือให้อาหารแมวมาเลี้ยงสติมาเลี้ยงความรู้สึกตัวให้โตขึ้นมาได้เรื่อยๆนะอย่าพึ่งไป กังวลนะอย่าเพิ่งไปเรียกว่าไม่พอใจความโลภความโกรธความหลงอันนั้นมันมีอยู่ในสันดานวินิตใจแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราพัฒนาสติของเราให้มากขึ้นก็คือเลี้ยงแมวให้อาหารแมวให้โตขึ้นมาเรื่อยๆอาหารแมวในที่นี้ก็คือความรู้สึกตัวการมีสติการมีศีลการมีสมาธิการมีปัญญานี่แหละ มันจะทําให้แมวตัวนี้มันเติบโตขึ้นมาเมื่อแมวตัวนี้เติบโตขึ้นมามันก็ไปจัดการหนูก็คือกิเลสตัณหาอาวิชชาออกไปจิตใจของมันเองอันนี้คือหน้าที่ของเราคือทาแค่นี้เนาะนะแล้วเราจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนวิบากของกรรมได้ด้วยตัวของเราเองอันนี้คือการกระ ท, ทําที่ที่เราสามารถกระทําได้นะก็อยากให้พวกเราทุกคนได้ได้ทำความเพียรตั้งนี้เนาะ วันคืนร่วงไปร่วงไปเนาะอย่าให้ชีวิตเราเรียกว่าเสียไปเปล่าๆให้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอทุกอยาบททุกรูปแบบเนาะก็ขอทุกคนจะเดินในธรรมยิ่งขึ้นไป